ทำมใหม่ก็มีคเคยศึกษาตางด่านธรรมะปฏิบัติตามจริงก็ตาดูหูฟังใจคิดเป็นการศึกษาในตัวการมาบวชในศาสนาถือว่ามีโชคลาภ อ, อันยิ่งใหญ่ คนที่บวชในศาสนามีโอกาสเวลาที่จะระพฤ์ ต, ตัวให้เหมาะสมเพราะการบวชชีวิตของนักบวชเป็นอยู่ด้วยคนอื่นการงานด้านนอกไม่ค่อยมีเพราะงาที่ของนักบวชตั้งหน้าประพฤตปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเท่านั้น จังที่จะยุ่งเหยิงกับการงานบันช่องของของต่างๆรู้สึกว่าเบาบางไม่วุ่นวายเหมือนค า, า, า้วะแต่นั้นโอกาสเวลาที่ได้มาบวชในศาสนาถ้าเราไม่รักษาพิจารณาธรรมะการบวชก็จะไม่เห็นคุณค่าอะไรเพราะถือว่าบวชอย่างหวังบุญฝังอันนี้สอง แต่ตัวเองไม่ได้ที่นีพี่เจอนะในสัางหน้าปฏิบัติอันนี้สงของการบวชที่เรามุ่งหวังต้องการบุญนั้นก็จะไม่เจอไม่เห็นให้เพราะบุญหมายถึงความสุขของใจถต่ใจไม่เห็นความสุขมันก็ไม่เจอบุญให้ไม่เห็นบุญไม่มีความสุข สิงที่ตรงกันข้ามขขคือความทุกข์ก็จะลุมล้อมจิตใจของตัวให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกือความอยากเห็นอยากฟังอยากจินอยางดื่มต่างๆนี่คือทุกข์โทษของใจที่มันคิดมันปรุงไปในเรื่องที่มันเคยมาเพราะไม่เห็นอั น, นิี้สงเห็นธรรมะ ที่ตัวผระพิสูจปฏิบัตินักบวชโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัดวาศาสนาไม่ได้ก็เพราอาศัยตัวเองไม่เห็นอา น, นิสงส์ไม่เห็นบุญในการบวชหากครเห็นบุญเห็นอา น, นิสงส์ในการบวชแล้วคนเหล่านั้นไม่มีวันเวลาที่จะออกไปหาทั้งฝ่ายสารวาตอีกเพราะเหตุใดายข้อใจเห็นบุญเห็นศุขในความเป็นอยู่ เอากาหังชีวิตตังเสยโยชีวิตของคนคนเดียวนะประเสริฐสุดไม่มีชีวิตใดที่จะประเสริฐเท่ากับชีวิตของคนคนเดียวนี่เรามาบวชอยู่ในศาสนาเป็นชีวิตของคนคนเดียวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวผัวเมียอะไรกันการงานด้านอื่นที่จะไปทํานั้นก็ไม่ค่อยยุ่งเยิ้มไม่ค่อยมีนอกจากหน้าที่ เดินจงกรมภาวนาละกิเลสตัณหาสังวรระวังกายวายาใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของอัดของธทรรมหมายถึงว่าเรามาบวชแล้วตั้งหน้าที่นิพพิจรารณารักษาใจไม่ให้คิดปรุงไปในเรื่องชั่วเสียต่างๆซึ่งเป็นส่วนอกุศลวิตกคือกามวิตกคิดไปในรูป ในเสียงในกลิ่นในรถในสัมผัสคิดว่าการมาบวชเป็นการทรมานตัวไม่ได้ทำไม่ได้พูดไม่ได้กินใดดื่มไม่ได้สัมผัสอย่างโลกเขาที่เขานิยมชมชอบกันก็เลย อยู่เป็นทุกข์เพราะอยากไปไม่ได้ไปอยากฟังไม่ได้ฟังอยากกินอยากดื่มไม่ได้กินเลยดื่มอยากสัมผัสไม่ได้สัมผัสเพราะจิตใจมันอยู่นอกของอาจของธรรมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านึงให้สังวรระวังใจพ้องตัวอย่าให้มันคิดไปในเรื่องนั้นหักห้ามเอาไว้ตั้งใจบริกรรม พุโทโธหรือตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะรักษาจิตที่คิดรุงไปนั้นให้สงบระ ง, งับเมื่อใจได้รับการอบรมการสังวรระวังไว้ดีใจนั้นจะรวมเป็นสมาธิคือความสงบของใจ จากความปรุงคิดในนิวรณทั้ง 5, ห้าในแก่การมาฉันทะความยินดีในกนารมมราค่าตัญหาต่างๆเพย์บาทความคิดอาฆาตเบียดเบียนตนและคนอื่นกินมิทะความห่วงเหงาห้าวนอนกุศจากกุศจะความฝุ่งสร้างของใจกายลำคานขึ้น จิจิติสาสงสัยในสาวปะเราจะพระพุปทปฏิบัติเป็นไปหรือไม่สงสัยในอริยสัจสี่สงสัยในมรรคในผลสี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนอนี่คือมีวนมันทั้งห้าแยบตามทางธรรมะถือว่าเป็นเครื่องกั้นกลางจิตใจไม่ให้ หยัดเย็นไม่เห็นอาจเห็นทำให้ถ้ามีใจฝุ่งุงนึกจิตจิตคล้องอยู่ในนิวร์ทั้งห้าแต่ตัวใดกอตามจิตใจจะลงรวมเป็นสมาธิไม่ได้เมื่อจิตไม่มีสมาธิจิตไม่หนักแน่นจิตไม่เห็นอันนี้สง์ความสงบเย็นของใจแล้วมันก็จิดไปใหญ่ผลที่สุด การอยู่ในศาสนาก็ไม่มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันกับคนจิตลงถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เขาไม่ทำการทำงานหรือทาเป็นบางการบางเวลาแต่ไม่มีอิสระไม่อยากอยู่แต่มาทำงานส่วนตัวดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังงมงานอยู่ แต่เช้ามืดก่าจุดไฟทํทางงานนั้นจาเป็นที่จะต้องทำมันมากกว่าคนติดตารางความทุกข์ยากลำบากแต่มันมีอิสระอยากแก่ทำเพราะทำแล้วเป็นของของตัวมันจิดอย่างนั้นทำในตารางมันเป็นของหลวงถึงจะทําเป็นการเป็นเวลาไล่อยพอใจอยากแะ่ทำ มี่การมาบวชในศาสนาทาจิตไม่ยินดีในการภาวนาในการละกิเลสก็เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันเพราะใจนั้นตรงคิดไปแต่งเสื่อมลืงนอกๆในวกเข้ามาทางใมในจิตเห็นภยัยในโลกในสงสารในการเกิดการตายของตัวดังนั้นทุกพระอาจาย์จึงสอน ให้สังวรระวังจิตใจของตัวใจเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ชั่วที่เสียให้ทุกข์ให้โทษยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกเรื่องอื่นคนอื่นที่เขาจะมาให้ทุกข์แก่ตัวของเรานั้นมันเป็นการเป็นสมัยโรคภัยเบียดเบียนกายขอทำนองเดียวกันในเหมือนกิเลสที่เบียดเบียนใจซึ่งมีอยู่ทุกการทุกทสมัยทุกเวลา ในตัวนั้นกับตัวนี้โ ก, โกรบโกรธหลงมันมีอยู่ในจิตในใจไปจำถ้าหากเราไม่ชาระซักฟ อ, อกมันออกไปใจจะเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่ตลอดเวลาเราจงตั้งวรรักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะที่พระพุทธเจา้าสอนรีบกำหนดจิตใจของตัวเมื่อมันคิด เหลืองขั่วเหลืองเสียต่างๆต้องมีสติหักห้ามมีปัญญาเน้สอนไม่อย่างนั้นใจก็จะไม่มีวันเวลาเข้าถึงธรรมะได้ใจที่ไม่มีธรรมะถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนก็ไม่แปลกอะไรกับสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปมันไม่มีธรรมะมันอยากจะกินจะเล่นจะเปลิดจะเพลินอย่างไรมันก็เป็นไปตามเหลืองของมันคนไม่มีธรรมะ ก็เป็นอย่างนั้นไปถือสุขจากอามิสภายนอกถูกโดยความหลงค้องใจไม่ใช่ความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแต่นั้นคูมาบวชที่มีโอกาสเวลาไม่เดียวมีการงานด้านอื่นจึงควรตั้งวรรวางรักษากายบายายใจพ้องตัวสิ่งที่ชั่วสี่เสีย เกิเคยแต่ทำมาเรามาบวชทางศีลทางธรรมแทนก็าหักห้ามเอาไว้ถ้าทําไปก็เป็นอาบัติถ้าเป็นพระเป็นเนนก่อผิดศีลถ้าผิดศีลไปแล้ว <c oughs> ความลําบากเดือดร้อนในตัวของตัวก็ลําบากเดือดร้อนขึ้นเพราะคิดถึงศีลของตัวที่เสียไป ไม่ได้รักษานั้นเราจะเสียใจว่าเราทําไมทําพูดไปในแง่นั้นอย่างนั้นซึ่งไม่สมควรกับเพศของเราซึ่งเป็นนักบวชเป็นสมณะเราจะตําหนิตัวข้องตัวได้และคนอื่นทั่วไปเขาก็ไม่เดือมใส่ศรัทธาพระเนนหรือนักบวชไม่มีศีลไม่มีคุณค่าสาระอะไรถึงอยู่ได้ในศาสนาก็เพียงแก่กายเท่านั้น ส่วนใจมันรั่วไหลไปทางชั่วทางเสียกันหมดฉะนั้นเรามาบวชอยากจะให้ตัวดีมีคุณค่าต้องรักษากายบายาและใจฟ้องตัวเมื่อใจถูกรักษาหักห้ามเอาไว้ไใ่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแล้วตัวตาที่จนะได้นาวันเวลาที่ผ่านไป เราไม่ได้ไปทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วอะไรถึงจิตยังไม่ลงรวมเป็นสมาธิก็ยังมีความปีติยินดีว่าวันนี้เราไม่ได้ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่ได้คิดชั่วมีความเบิกบานในจิตในใจสะดวกสบายสุขในการไม่ได้คิดชั่วพูดชั่วทาชั่วของตัว ยิ่งอบรมจิตที่เคยฝุ่งฝุงคิดนึกหักหามเอาไว้ให้มันรวมรวมได้เป็นสมาธิลังงับดับจิเลยตันหาสงบเงียบลงไปใจเป็นเอกเทศอยู่เฉพาะเรื่องของใจเราจะเห็นอา น, นิสงส์ในการบวช เห็นอเนิสงของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเยนยอว่าเป็นของดีวิเศษเพราะจิตที่ปาราศจากกิเลสสงบลงรวมนั้นมันเป็นความอัศจรรย์ซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนสุกอื่นที่เคยผ่านมาเห็นมาด้วยหูด้วยตาผ่านมาโดยการสัมผัส สิงโลกทั่วไปนิยมชมชอบหลงไหลใส่ฝันหมอกกายถวายชีวิตอุทิศ ต, ต่อสิ่งนันนั้นเราเคยพบเคยเห็นเคยเป็นมาเหมือนกันแต่ความสุขส่วนนั้นกับความสุขส่วนนี้มันผิดแปลแตกต่างกันขนาดไหนมีความสุขยิ่งยนกว่ากันขนาดไหนหนักเบาวกว่ากันขนาดไหนเราย่องทราบ ย่อมเห็นเพราะเราเป็นในจิตในใจของเราความเชื่อมั่นในจิตในใจจึงมีมากขึ้นศรัทธาความเชื่อว่ามมั่งคั่นสิพรพผู้กยอเจ้ากุกพ้นไปจากกิเลสทันรู้ทันเห็นทันเป็นย่อมเป็นอย่างนี้เราสงบรวรวมชั่วขณะเท่านั้นเราก็ยังทราบได้ว่าความสุขความสบายมันแปลกอศัศจรรย์ ไม่เหมือนความสุขของโลกทันยูได้ในศาสนาท่านเห็นธรรมะอย่างนี้ถ้าหากเราเป็นเราเห็นอยู่ตลอดทุกวันทุกเวลาความสุขความสบายมันจะขนาดไหนมันจะเชื่อถึงใจของตัวเมื่อมันเชื่อด้วยสัทธามั่นในใจ เกิดความเห็นความเป็นของตัวแล้วความเพียนไม่ต้องบังคับบัญชามันจะต้องเพียนพยายามอยากเห็นอยากเป็นตลอดเวลาไม่ว่าอยู่อิริยบทใดมีความตั้งใจรักษาจิตของตัวอยู่เรื่อยๆไปเพราะอยากเห็นอยากเป็นอยากรู้อย่างที่เคยเห็นเคยเป็นมาแล้ว ความเพียรจะต้องเกิดขึ้นจากความเห็นความเป็นความเชื่อในจิตในใจของตัวมีกำลังต้าขึ้นถ้าไม่เห็นไม่เป็นอะไรมันก็ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเพราะบวชเป็นการกักกันตัวเองไม่ให้ดูไม่ให้ฟังสิ่งที่หย่วนจิตใจจีก จิตใจใฝ่ฝันจิตใจต่องการเพราะคนส่วนใหญ่เกิดมาพอเกิดมาจากเรื่องอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมของตัวคนเหล่านั้นยังมีจิเรียตันหาหุ่มห่อจิตใจไม่ใช่คนบริสุทธิ์ฉะนั้นจิตใจจึงไหลไปในทางชั่วทางต่าไม่ว่าใครทั้งหมดเป็นอย่างนั้น เมื่อห้ามกัน้นจิตใจที่ไหลไปฝ่ายต่ำได้เห็นความสุขความสบายในอาจในธรรมมันก็เชื่อมัน่นอยากจะประพฤติปฏิบัติเผื่อความหลุดพ้นขล้องใจนี่เป็นเรื่องของนักบวชทุกคนผู้มุ่งหวังอา น, นิสงส์หวังผลจากการบวชจะต้องทำไม่ทำมันก็ไม่เป็น ม่เห็นไม่รู้ถ้าทำพยายามอยู่ถึงสิ่งนั้นจะลำบากยากเย็นขนาดไหนโดยความตั้งอกตั้งใจอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นในวันใดวันหนึ่งมันก็เป็นให้เห็นให้เข้าใจได้นี่คือความตั้งใจความพยายามความฝากเพียนของใจถึงหนักขนาดไหนก็ พยายามจะ่ทำไปเพื่อความเียนความเป็นท้องใจการปฏิบัติของนักบวชมีโอกาสเวลามากเพราะไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินหนังนอนมีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติตัวท้องตัวไม่เหมือนฆลวาวา จงยุ่งเกี่ยวกับการงานนั้นนี่ภาลานาที่มันก็มากจิตมันก็คิดก็อปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยจนตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะตรวจตาที่จะเลนานเรื่องของธรรมเลยบางคนแต่เกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยคิดเคยอ่านที่จะรักษาใจของตัวแต่นั้นเรามาบวช จึงเป็นผู้มีโชคลาภที่จะต้องรักษากายว่าจาใจพ้องตัวการรักษาก็รักษาอย่างว่า้ารักษาไม่เป็นมันก็มีทางหลั่วไหลออกง่ายที่ไหนมันหลั่วไหลออกไปแล้วก็ปิดเอาไว้ไม่อย่างนั้นมันจะไหลเลื่อยไปจนเป็นทางลึกลงไปเป็น ห่วยเป็นเหวซึงผมยากเมื่อมันไหลให ม, ม่ๆลอต่ออุดเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่เสียเวลาีการรักษาใจต้องรักษาด้วยสติด้วยปัญญานักบวช้าจิตเป็นสมาชิมีความหนักแน่นการภาวนา การพิจาจรณาทุกอย่างเพื่อจะให้จิตใจละความข้องจิตยึดถือต่างๆจะมีโอกาสเวลาที่จะละจะถอนจากความติดข้องต่างๆได้โดยอุบายวิธีของใจตัวเองนั่นเนี่ยมันคิดมันรูงมันยุ่งมันเกี่ยวกับสิ่งของหรือรูปตรงกันข้ามกัตาเห็น ขาจิตของเราหนักแน่นเรานำธรรมมากแก้ไขสิ่งเหล่านั้นจะไม่เหลือวิสัยจะละได้หากจากจิตจากใจของตัวเพราะทุกคนที่ท่านพ้นไปจากกิเลสท่านก็มีเหมือนกันกันกบเราถ้าไม่มีความพ้นไปมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมันมีหิวเสียก่อนมันจึงมีอิ่ม มันมีทุกข์เสียก่อนมันจึงมีสุขมันมีมืดเสียก่อนมันถึงมีสว่างมันมีหลับเสียก่อนมันทึงมีตื่นเราก็ทำนองเดียวกันกับคนอื่นที่ท่านเคยติดเคยขวองมาแต่ท่านนำธรรมะอะไรมาที่เจรินาใจของท่านจึงตื่นจากยิ่งเลสตัณหานั้นเราท่านถ้าหากเคยศึกษาตามตำหับตำราหรือเคยฟังธรรมะจากครูจากอาจารย์ ก็พอจะทราบได้ที่มันหลงไหลไฝ่ฝันในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะเราไม่รักษาจิตของเราไม่เอาธรรมะมาแก้ไขถึงรักษาได้โดยสมาธิ ร, ว, รวมเพอถอดถอนขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะรักษาแก้ไขใจจึงวิ่งวุ่นไปตามเรื่องต่างๆ าหากเรามีปัญญาแจกไขเช่นมันปิดข้องอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ได้มาเป็นของของตัวแล้วมันให้สุขให้ทุกข์ขนาดไหนไห้พิาจรารณาหาทางแกไขจิตใจของตัวสิ่งที่ตัวต้องการอยากได้ถาหากเป็นฝ่ายวัตถุได้มาแล้วจะต้องดูแลรักษา รู้าว่าสิ่งนั้นจะหายไปเสียไปต่างๆนา น, นานเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่ได้มานั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดเวลาบางทีมันก็หายไปโดยไฟต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้หรือโจรขโมยลักเอาไปหรือไม่เช่นนั้นมันยังอยู่เราก็เอาสิ่งนั้นไปไม่ได้ พะเราจะตายจากมันเมื่อเราตายจากมันของที่เราหามาได้ถึงมันจะมีมากมายขนาดไหนก็ไม่มีใครแบกบหามไปสมบัติของโลกย่อมเป็นของโลกเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นนี่คือทางแก้ไขใจของตัวที่ไปติดข้องในสิ่งของต่างๆที่มันอยากได้ มันให้สุขให้ทุกข์แกเราขนาดไหนเราอยู่ในศาสนามีอะไรขาดแทนบกพ่องพอเป็นพอไปเสื่อหนุ่งห่มก็มีที่อยู่ที่อาศัยก็มีเสียนอนหมอนหนุนมีแต่เรื่องของจิตใจนั้นถ้าเราไม่รักษาปล่อยให้มันอยากมันอยากเรื่อยไป ใจไม่มีเวลาอิ่มเหมือนไฟมีเชื่อมากเท่าไรก็ยิงไม่เตีวใหญ่ไปเท่านั้นคนที่่ำรวยมีเงินหลายๆลายพันล้านไปถามเขาว่าพอไหมเขาก็ยังต้องการอยากได้มากกว่านั้นมันไม่มีวันมีเวลาพอถัไดไปวิ่งตามเรื่องของความอยากแล้วมันไม่มีฝุขไม่มีสบายให้เพราะความอยาก มันเป็นภัยเผาใจตัวเองฉะนั้นทางศาสน า, ท, าท่านจิงสอนเรื่องสันติสิยินดีตามมีตามได้มันมีอะไรก่อใชาก้ก่ส้อยกันไปเรามีเทอาอะไรก็ยินดีเถ่านะมันสะดวกสบายแต่เรารักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตได้อย่างนั้นมันฝุกมัน ส, นสงบ มีมากกว่ากินแค่อิ่มนั่นแหละหนุ่มโฮมแค่หนุหม่มโฮมได้ไม่ใช่ว่ามีมากจะกินมากจนมันหมดกินไม่ได้หนุ่มโฮมไม่ได้เพราะมันหนักมันเหลือปากเหลือท้องมันก็แค่อยู่ไปเป็นวันวเหมือนกันเขามีมากแทนที่เขาจะมีอายุยืนเพราะ มีโรคไข้ไข้เจ็บเกิดขึ้นจะเอาเข้าของเงินทองนั้นไปปัดกันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดโรคไข้อะไรให้มันมีอายุยืนยาวรวยไปเป็น <c oughs> พันเป็นหมื่นปีก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเราที่อดยากยากจนที่เป็นพระเป็นเนรชีวิตไหมเกินกันเท่าไหร่ โดยส่วนใหญ่มันเท่าๆกันแล้วเขาหลงต่างหาเขาทุกข์เขายากเขาลำบากลําคาญในการสแสวงหาของเขาใจก็ทุกข์กายก็ทุกข์วิ่งวุ่นกลางคืนดึกดื่นก็ไม่ควยได้มีโอกาสหลับนอนเพราะกลัวจะไม่มีอยากมีกินรวยจะไม่เกินหน้าเกินตาเขามีความอยากของใจ มันทำให้คิดไปปรุงไปแล้วเอากายวิ่งบุ่นไปทำในสิ่งจี่ตัวใหา่หมีไมายถึงอยากฝ่ายวัตถุหมายเึงอยากเรื่องของโลกส่วนผู้อยากผลทุกข์ก่อทำนองเดียวกันถ้าหากทำไม่มากพใจนราไม่มากไม่มีความอยากในใจ จะ ห, หายกิเลสตัณหามันหลุดไปลอยไปมันหลุดไปไม่ได้แต่ความอยากทางศาสนาความอยากผ่าเพียนภาวนาละกิเลสท่าน ถ, ถือว่ามักเป็นห้นทางที่ทุกคนควรเดินควรปฏิบัติถ้าไม่มีความอยากกระเพิดปฏิบัติความเป็นความเห็นในจิตในใจก็จะไม่เกิดเห็นให้แต่เมื่อเวลาทาอยู่นั้นอย่าไปอยาก ถ้ายังอยากอยู่จิตจะไม่ลงรวมให้จะไม่สงบให้ให้ทำไปเกิดอะไรขึ้นพิจารณาไปแก่ไขจิตใจของตัวเรื่อยไปถ้าหากเรามีสติมีปัญญาพอรักษาได้เรื่องจิตใจไม่เหลือวิสัยการพิจารณาเพื่อจะปรับปรุงจิตใจของตัวนั้น เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านนักบวชที่จะปรับปรุง <c oughs> ให้ดีให้ดีได้พอใจที่ชั่วที่เสียที่ติดถี่คล้องนั้นมันมีสาเหตุคือกิเลสเป็นตัวการสำคัญชอบคิดชอบฟุง้งชอบติดชอบคล้องในสิ่งของต่างๆถ้าหากมาที่เจรณาถึงเรื่องความตาย ว่าตายไปแล้วเขาจะยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านั้นเขาได้อะไรไปเพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าไม่มีใครในโลกได้อะไรไปถึงเขามีมากขนาดไหนคนอื่นจะมาในงานศพมากมายกายกองกอดตามสิ่งของเขาจะเอามาทำบุญคุณทานมากขนาดไหนก็าตามเขาก็หอบหูหาบหามไปไม่ได้ ก็เป็นของของโลกเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นเราก็าเหมือนกันถ้าเราไปหลงไฝ่ฝันมัมมวเมาเราจะต้องพินิษฐ์พิจารณาหาทางละหาทางแก้ไขใจที่ของผิตของตัวมาอย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดการตายการเกิดการตายเป็นปัญหาใหญ่ ไม่มีวันจบสิ้นถ้าหากเราไม่ภาคเพียพรพยายามนำธรรมะมาที่นิพพานาสอนใจเกิดแจกระไใหายใจรู้แจ้งเห็นจริงในอัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทุกโดยส่วนใหญ่ที่สักล่าวเอาไว้หรือตัวของเราประสบพบเห็นมันมีจริงไม่ใช่มันไม่มี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 ทุกสิ่งทุกอย่างหนดูแลรักษาปฏิบัติเพื่อจะให้เขายินดีอยู่กับเราแต่เขาก็เป็นใจตาหนาที่ของเขาเาลวลาแกกเราจะมึ่งโหมประดับประดาของที่นี้ห้ามากมายขนาดไหน